Thank <music> you.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 ดูก่อนสุรเสนะแควนที่มีชื่อเดียวกับเจ้าซึ่งมีเมืองมัุราเป็นราชธานีนั้นมีลำน้ายมุนาอันไหลมาแต่ทิศอุดรหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดปีปลายน้ายมุนานั้นไปบรรจบ ก, กันกับลำน้ำคงคาทางทิศอาคเนแห่งกรุงโกสัมพีราชธานีแห่งแควนวังสะลำน้ายมุนานั้นเป็นทางสัญจรสำคัญสายหนึ่งระหว่างแควนโกศลกับมคต จากทิศ ท, ทักษิณไปสู่บุรพามีนาวาใหญ่น้อยบรรทุกสินค้าบ้างคนโดยสารบ้างไปมาติดต่อกันโดยสะดวกพ่อได้เดินทางเรียบลำน้ำยมุนาลุ่ยมาลงไปทางใต้เพิดเพลินไปในการเดินทางชมภูมิประเทศเก็บผลไม้ป่ากินบ้างซื้ออาหารกินในที่อันพอซื้อได้บ้างจากรั์ซึ่งนาติดตัวมาเช่นเพชรพลอยทองเงินอันเป็นของมีค่า ซึ่งไม่หนักเกินไปที่จะนำติดตัวไปด้วยพอเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในระหว่างทางและในการตั้งถิ่นฐานเมื่อพ้นเขตสุรเสนกไปได้ไกลแล้วพ่อได้โดยสารเรือไปตามลำน้ำยมุนาจนถึงกรุงโกสัมพีจึงโดยแวะขึ้นเที่ยวดูภูมิประเทศเพื่อว่าเมื่อชอบใจจะได้ตั้งภูมิรำนาอยู่พ่อได้กล่าวแล้วว่ากรุงโกสัมพี ก็อาศัยลำน้ำยมุนาเช่นเดียวกันและโดยเหตุที่ห่างจากพารณสีเพียง23โยชน์โยจึงเท่ากับเป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งเมื่อเรือมาถึงที่บรรจบกันในระหว่างลำน้ำคงคากับยมุนาถ้าต้องการจะขึ้นเหนือไปสุขแวนโกสนก็แยกไปตามลำน้ำคงคาถ้าต้องการเลยไปทางแควนบางสะและอื่นๆก็แยกมาจอดพักที่ท่าเรือกรุงโกสัมพีเพราะฉะนั้น เมืองท่าแห่งนี้จึงนับว่าเจริญและมีผู้คนแออัดมิใช่น้อยพ่อได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆซึ่งเป็นเขตใกล้เคียงของกรุงโกสัมพีได้พบเห็นขนบประเพณีผิดแผกไปจากที่พบปักมาจากทางเหนือแต่ก็ยังไม่ชอบใจว่าตำบลใดจะเหมาะแจ่การที่จะตั้งภูมิลำเนาได้ตามความประสงค์ของพ่อระหว่างทางที่เที่ยวไปได้ติดตอ่อคบหากับบุคคลหลายประเภท เป็นเหตุให้ได้เรียนรู้นิสัยใจคอของคนต่างๆชนิดบางครั้งพบคนผ่านเกเรซึ่งถึงกับต้องปราบกันด้วยกําลังกายจึงได้รู้สํานึกตนบางคนปากร้ายแต่ใจดีบางคนพู้ชาอ่อนหวานแต่เต็มไปด้วยชั้นเชิงที่จะหาผลได้เอาเปรียบคนอื่นไม่เลือกหน้าบางคนซื่อสัตย์คบได้ง่ายไม่คดเคี้ยวบางคนก็หมดอย่างอายโกงเขาซึ่ ง, งหน้า ดูก่อนสุรเสนะบุคคลในโลกมีอยู่หลายประเภทเช่นนี้พ่อจึงขอเตือนเจ้าให้รู้จักสังเกตระวังตนให้ดีเมื่อจําเป็นต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปดูก่อนสุรเสนะเศรษฐีกรุงโกสัมพีมีอยู่หลายคนข้อที่น่าชมก็คือเศรษฐีเหล่านั้นต่างตั้งโรงทานไว้สาหรับแจกอาหารตนประจาวันแจกคนขัดสนกัมพระคนเดินทางและนักบวชต่าง เชนเดียวกับเศรษฐีและมหาอมาตย์บางคนแห่งกรุงสาวัตถีแต่ในสมัยนั้นนักบวชแห่งพระพุทธศาสนายังไม่ได้ไปตั้งสำนักที่นั่นเพียงแต่จะริกไปสั่งสอนบ้างแล้วก็เลยไปที่อื่นจึงคงมีแต่พูก ด, ดีระีปริพาชกเป็นต้นที่ตั้งสำนักอยู่คนส่วนมากเห็นกันว่าผู้เป็นเศรษฐีมักมีใจคับแคบตรณีดังที่ผูกคำเป็นภาษิตไว้ว่าเราได้กินน้าจากขันน้า ตุ่มน้ําบ่อน้ําเป็นส่วนใหญ่พอไปถึงทะเลเข้าแม้มีน้ํามากก็จิบนไม่ได้เลยเพราะเข็มไปหมดอันเปรียบความว่าคนทั้งหลายที่รับความช่วยเหลืออุปการะนั้นก็ได้จากคนจนๆด้วยกันหรือคนผู้ไม่ค่อยมั่งมีเท่าไหร่นักเป็นส่วนมากแต่พอไปถึงเศรษฐีหรือคนชั้นสูงเข้าก็กลายเป็นเหมือนน้าทะเลไปไม่ได้รับความอุปการะช่วยเหลืออะไรเมื่อเศรษฐีเหล่านั้น มีใจโอบเอื้ออารีต่อคนอื่นอันเป็นการตรงกันข้ามกับภาษิทธิ์ที่กล่าวพ่อจึงว่าหน้าชมเพราะแม้จะเป็นดุดทะเลก็ไม่ใช่ทะเลน้ำเชมแต่เป็นทะเลสาบน้ำจืดซึ่งกว้างใหญ่เช่นเดียวกันครั้งหนึ่ง พ่อไปทางฝั่งน้ำยมุนาได้เห็นประเพณีเผาศพที่น่าสังเวชอยู่อย่างหนึ่งคือขร บ, บดีผู้หนึ่งทําการละพวกยากจึงนำมาเพื่อเผาริมฝั่งน้ำแต่ถือกันว่าภริยาก็จะต้องเผาตัวตายตามไปด้วยจึงได้มีการแห่ภริยาของขร บ, บดีผู้นั้นมาครั้งแรกนางมีหน้าตาสดชื่นมีคนเป็นอันมากไปกล่าวอวยพรสรรเสริญแต่พอไปถึงเชิงตะกอนก็มีหน้าซีด ผิดไปคนละคนก่อนจะขึ้นไปบนเชิงตะกอนพวกญาติได้พานางเดินเวียนรอบกองฟืนซึ่งมีศพสามีของนางวางอยู่เบื้องบนพอถึงรอบที่สองนางก็เป็นลมสิ้นสติพวกญาติก็คงเครึ่องลากครึ่งประยุนพาเวียนจนครบสามรอบแล้วพานางขึ้นไปนอนอยู่กับศพนั้นพ ร, รามณผู้ทําพิธี น, นําน้ํามันเนยเต็มภาชนะขนาดใหญ่มาราดลงบนกองฟืนและจุดไฟขึ้น เปเลวไฟพุ่งขึ้นคลุมกองฟืนนั้นมีเสียงญาติตะกเรียกชื่อจตรีนั้นแต่ไม่มีคำตอบในที่สุดก็เป็นอันเผาด้วยกันไปทั้งหมดทั้งคนเป็นและคนตายเมื่อเจ็บกระดูกแล้วก็ทิ้งไปตามลําน้ำยมุนาด้วยถือว่าลําน้ำนี้ไปบรรจบกับแม่คงคากระดูกนั้นก็จะไปถึงแม่คงคาเองจึงไม่ต้องเป็นลอยทิ้งณกรุงพารณสีอีกประเพณีหนึ่งพวกสูตรโดยมาก ใช้ฝังศพแทนการเผาเมื่อสามีตายก็มีการฝังภริยาทั้งเป็นเหมือนกันประเพณีเหล่านี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้วส่งคณะพิสูจ์จาริกไปในที่ต่างๆก็สั่งสอนให้เลิกล้มไปได้เป็นส่วนมากปัจจุบันนี้ตลอดทางที่กองกเกวียนของเราผ่านไปจะไม่ได้พบเห็นประเพณีที่โหดร้ายเผาหรือฝังคนเป็นๆ เ, เช่นนี้อีกเลยพ่อได้เที่ยวไปทั่วกรุงโกสัมพี และบริเวณใกล้เคียงแล้วยังไม่พบที่เหมาะควรพำนักอยู่เป็นหลักแหล่งจึงคิดว่าจะเดินทางต่อไปยังกรุงพระณศีเมื่อได้ข้ามฝั่งน้ำไปอีกทางหนึ่งอันตรงกันข้ามกับพระนครนั้นก็ได้พบหมู่เกวียนเป็นอันมากซึ่งเดินทางมาจากแคว้นอื่นจอดขายสินค้าซึ่งชาวโกสัมพีนำเรือมาซื้อบรทุกไปสู่ร้านตลาดหรือเขหสถานแห่งตนเมื่อได้เข้าไปไต่ถามทราบความว่ากเกวียนขบวนนั้น จ อ, อกเดินทางต่อไปอยังกรุงพระนศีพ่อจะได้ออกป่ากคอโดยสารไปด้วยและจะยอมให้มูลค่าตามสมควรเนื่องจากเที่ยวนี้เป็นเที่ยวกลับมีเกวียนเปล่าอยู่มากเกวียนที่บรรทุกสินค้าเมืองอื่นกลับมาเพื่อขายอีกต่อหนึ่งก็มีม่ใช่น้อยเช่นกันหัวหน้าคนขับเกวียนจิงยินยอมให้พ่อโดยสารไปบนเกวียนเปล่าคันหนึง่งซึ่งมีคนขับประจำอยู่ที่คอเกวียน เมื่อไปถึงพาราณสีและตรวจดูตัวเมืองตลอดจนภูมิประเทศใกล้เคียงแล้วก็ตกลงปรงใจว่าจะตั้งภูมิลำเนาอยู่ในเมืองนี้เพราะเหตุผลบางประการข้อแรกขณะที่พักอยู่ณที่นั้นพอได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายกองเกวียนให้ได้รับความสะดวกเป็นอย่างดีนายกองเกวียนผู้เท่ารู้ว่าพ่อตัวคนเดียวไม่มีห่วงและเห็นยังหนุ่มแข็งแรงจึงออกปากชวนให้ร่วมงานเป็นพ่อค้าเกวียน ซึ่งถ้าเป็นผู้มีใจรักในการท่องเที่ยวชมเมืองต่างๆและการผจญภัยแล้วก็เหมาะมากทั้งในสมัยนั้นการค้าขายที่นับว่าได้กําไรงามก็คือการบรรทุกสินค้าไปขายในต่างเมืองนี่เองพ่อสนใจในข้อนี้ก็เพราะยังมีคําสั่งของอาจารย์อยู่อีกข้อหนึ่งที่ให้พ่อไปหาอาจารย์วิชารบณปนะประตูเมืองสาวัตถีด้านทักษิณถ้าได้ร่วมเดินทางไปกับขบวนเกวียนด้วย นอกจากจะได้ไปหาอาจารย์ที่กล่าวแล้วยังมีโอกาสได้เที่ยวชมภูมิประเทศทั้งในนครหลวงและในชนบททั่วไปอีกด้วยประการที่สองพาราณสีเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองตัวอย่างของขนบประเพณีทุกชนิดมีผู้คนเดินทางมาจากต่างเมืองไม่ว่าใกล้ไกลเพื่อลงอาบน้ำในแม่คงคาซึ่งคนในครั้งนั้นถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ในข้อนี้เป็นโอกาสที่พ่อจะได้พบคนมีวิชาความรู้ปแปลก ซึ่งพ่อพอใจมากเพราะพ่อรักการศึกษาหาความรู้พราะการที่สพ่อได้พบทำเลแห่งหนึ่งใกล้ภูเขาไม่ไกลนักจากหมู่บ้านชาวเุวียนเป็นที่คล้ายเกาะล้อมด้วยลาธารอันคดเคีย้ยวมีหญ้าพแพรกขึ้นเฉียวเุ่มและมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่มากนักถ้าได้ตัดแปลงขุดลําธารใกล้เคียงให้กว้างออกไปอีกเล็กน้อยและสร้างที่อยู่ขึ้นณที่นั้นก็จะเป็นที่สงบแต่เจ้ารู้จักที่นั้นมาตั้งแต่เล็กแล้ว เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงอีกถัดมาจากหมู่บ้านชาวเกวยนไปเล็กน้อยมีหมู่บ้านใหญ่ของกระบดีผู้มีอาชีพในการค้าของทางไกลทั้งทางเกวียนและทางเรือสุดแต่ใครจะสะดวกและชำนาญทางไหนกระบดีผู้หนึ่งในหมู่บ้านนั้นค่อนข้างมั่งคัง่งแต่ไม่ถึงขนาดเป็นเศรษฐีมีบุตรีสามคนคนพี่รูปร่างไม่งามชอบเงียบๆไม่พูดมากแต่คล้ายกับเป็นคนมีกรรม ที่บิดามันดามักจะดูด่าอยู่เสมอๆทั้งที่ไม่สมควรส่วนน้องทั้งสองรูปร่างงดงามพูดมากรู้จักกิรยาประจบเอาใจบิดามันดาจึงเป็นที่รักมากของสามีภรรยาแต่ชอบเล่นเกเรและรังแกพี่คนใหญ่ผู้ไม่มีปากเสียงอยู่เป็นหนึ่งนิด ขณะที่พี่กำลังนั่งอยู่หน้าบ้านและบิดามารดาไม่อยู่น้องทั้งสองซึ่งอยู่ในวัยรุ่นวิ่งขับกันในห้องชั้นในที่ไว้ของมีค่าเพอเอิญมือไปปัดภาชนะอัน ง, งดงามมีราคามากเป็นของที่กระบบดีทนุถนอมอย่างยิ่งตกลงมาแตกต่างตกใจกลัวก็รีบหนีไปนั่งอยู่หลังบ้านขณะนั้นมีคนรับใช้สตรีได้ยินเสียงภาชนะตกจึงเข้าไปดู เห็นบุตรีทั้งสองของกระบดีวิ่งออกไปจึงตามไปถามเด็กทั้งสองพากันคู่คนรับใช้ว่าถ้าบอกมารดาบิดาถึงเรื่องนี้แล้วตนจะแกล้งใส่ความให้ต้องถูกลงโทษอย่างหนักและให้ถึงต้องถูกขับไล่ไปนางได้ฟังดังนั้นก็กลัวจึงนิ่งอยู่เมื่อสองสามีภรรยาเข้าไปพบภาชนะแตกอยู่อย่างนั้นก็มีความโกรธและเสียดายมากจึงเรียกบุตรีทั้งสและคนรับใช้ทั้งปวงมาซักถามว่า ใครเป็นผู้ทำภาชนะนั้นแตกด้วยความที่เกรงว่าตนจะมีความผิดน้องทั้งสองจึงปฏิเสธและกล่าวว่าเข้าใจว่าพี่คนใหญ่จะทำแตกเพราะเมื่อได้ยินเสียงภาชนะตกแล้วก็เห็นพี่เดินออกมาจากห้องมันดาบิดาได้ซักถามผู้เป็นพี่นามว่าตุลินีด้วยอาการเครียวกราดนางก็ได้แต่ตอบปฏิเสธก้มหน้านิ่งอยู่เพราะเป็นคนไม่มีปากเสียงดังกล่าวแล้วเมื่อเห็นว่าจะถาม ให้รับแต่โดยดีไม่ได้แล้วมันดาจึงโกรธมากเพราะมีความเสียดายมากกว่าบิดาจึงคว้าไม้มาเคี้ยนตีตุลยนีอย่างรุนแรงเคี้ยนไปซักถามไปเพื่อจะให้รับสารภาพนางก็คงปฏิเสธอยู่อย่างเดิมข้างฝ่ายบิดาเห็นบุตรีปฏิเสธอยู่อย่างนั้นก็โกรธจึงตรงเข้ากระชากผมแล้วตบด้วยฝ่ามืออย่างแรงจนตุลยนีสลบไปคนใช้ชราตรงเข้าประคองตุลยนีน้ำตาอาบหน้า จะบอกความจริงก็เกรงสองพี่น้องนั้นจะใส่ความตนจนอยู่ไม่ได้ทั้งตัวคนเดียวคําพูดคงมีน้ําหนักไม่พอเหมือนสองคนเป็นแน่สองสามีภรรยาผู้มีพื้นความรู้สึกไม่ชอบบุตรีคนโตอยู่แล้วครั้นมาประจบกับมีของแตกจึงลงโทษบุตรีของตนอย่างรุนแรงเมื่อเห็นคนรับใช้เข้าไปประของเชิ้นนั้นก็หลีกไปสู่ที่อื่นปล่อยให้แก้ไขกันเองเพราะนึกว่าคงไม่เป็นอะไรมากนัก เมื่อใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าและประครบตัวตุลินีซึ่งเป็นเรียวรอยมีเลือดไหลซิบๆเพราะรอยไม้สักครู่หนึ่งตุลินีก็ลืมตาขึ้นเห็นหน้าคนรับใช้ชราก็ร้องไห้ค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นมีสตรีผู้สูงอายุนั้นประคองไปส่งจนถึงห้องส่วนตัวนางเล่าความจริงให้ตุลินีฟังโดยสินเชิงว่าตุลีนีไม่ผิดแต่น้องสองคนแกล้งใส่ความให้ต้องรับโทษแทน ทั้งสองปรึกษากันว่าจะอยู่ในบ้านนั้นต่อไปไม่ได้แล้วในคืนนั้นเองตุริสนียกับหญิงชราก็หนีออกจากบ้านมารดาบิดาของตนเดินทางไปอาศัยอยู่กับนายกองเกวียนผู้เป็นญาติห่า ง, างครั้งแรกมารดาบิดาก็ตกใจอยู่บ้างที่ลูกหายไปครั้นภายหลังทราบว่า นีไปอยู่กับนายกองเกวียนก็ไม่สนใจอะไรอีกต่อไปเหตุที่สองสามีภรรยานั้นมีพื้นความไม่ชอบตุลินีบุตรีของตนก็เพราะในสมัยหนึ่งตนได้ไปหาหมอดูเพื่อให้ถายความเป็นไปในชีวิตหมอถ่ายว่าจะต้องลำบากและเสียใจเพราะลูกเมื่อพิจารณาตามคําตำนานยนั้นใจก็ปักลงไปว่าตุลินีคงเป็นลูกที่ทําให้ตนต้องลําบากและเสียใจเป็นแน่แท้เพราะรูปร่างก็ไม่น่าดู ชอบนั่งนิ่งไม่พูดประจบอ่อนหวานเหมือนบุตรีคนเล็กทั้งสองนั้นรันแน่ใจว่าตุลินีเป็นลูกที่คงจะก่อความเดือดร้อนให้สักวันหนึ่งมีเรื่องอะไรควรไม่ควรก็ดูด่าปราปรามกันจนเกือบจะเรียกได้ว่าหนึ่งนิดยิ่งมาวันถึงที่ของแต่เขายิ่งปักใจหนักขึ้นว่าตุลินีเป็นคนเลวเลี้ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าตุลินีหนีไปอยู่กับนายกองเกวียนจึงรู้สึกเรื่อยๆไม่ติดใจอะไรมากนัก ดูก่อนสุรเสนะเมื่อพ่อไปพักที่บ้านของนายกองเกวียนไม่กี่เดือนและได้เห็นตุลินีนิมันดาบิดามาอาศัยอยู่อย่างน่าสุขสรรเช่นนั้นตลอดจนได้ฟังคนรับใช้ชราเล่าความเป็นไปต่างๆให้ฟังด้วยเพราะเหตุที่พ่อรักความเป็นธรรมพ่อจึงตั้งใจว่าแม้ตุลินีจะอยู่ในสภาพยากจนหมดที่พึ่งและไม่ใช่คนที่มั่งมีทรัพย์สินสมบัติอย่างไรก็ตามทีพ่อ จะรับเลี้ยงดูเองประกอบกับพ่อได้สังเกตเห็นว่าตุลิณีมีคุณสมบัติของสตรีบริบูรณ์ในการทำกิจหน้าที่ของตนทั้งเป็นผู้มีอัธยาศัยรักสงบเป็นคนพูดน้อยจริงแต่ไม่งโง่แท้จริงเป็นผู้นิ่งอย่างรู้เท่าเป็นคนไตรตรองลึกซึ้งแล้วจึงพูดพ่อจึงได้ตัดสินใจแจ้งให้ในายกองเกวียนทราบถึงการที่พ่อจะรับเลี้ยงดูตุลินีเมื่อตกลง และได้ประกอบพิธีมงคลเล็กน้อยแล้วตุลินีแม่ของเจ้าก็ไปอยู่ด้วยกันกับพ่อณบ้านริมทานซึ่งได้จ้างเขาปลูกขึ้นด้วยทรัพย์ที่พ่อขายเพชรพลอยได้ตั้งแต่ครั้งยังพักอยู่ณกรุงโกสัมพีหญิงชรานั้นก็ได้ตามไปอยู่ด้วยและได้ช่วยจัดการในบ้านเป็นอย่างดีดูก่อนสุรเสนาพลอยเพชรที่พ่อนําติดตัวมาแต่กรุงมัธุรานั้นมีมากพอสมควรที่พ่อจะขายกินได้จนตลอดชีวิต แต่พ่อไม่พอใจการอยู่นิ่งๆจึงได้ฝึกหัดวิชาขับเกวียนอย่างละเอียดละออทั้งนายกองเกวียนก็มีจิตเมตตาในพ่อเหมือนเป็นลูกของท่านจึงได้สั่งสอนวิชาเกีย่ยวกับการคุมขบวนเกวียนให้อย่างถี่ถ้วนทุกประการกล่าวถึงสองสามีภรรยาผู้เป็นบิดามารดาของตุลินีทําการค้าขายจเจริญขึ้นเรื่อยๆก็ขยายการค้าและส่งเกวียนไปสู่ต่างแดนมากขึ้นในคราวหลัง ถึงกับทุ่มเททุนทรัพย์ที่มีอยู่รวมทั้งกู้ทรัพย์ของเพื่อนกระบดีด้วยกันอีกมากมายซื้อสินค้าบรรทุกเกวียนจํานวนนับร้อยๆอยส่งไปขายเพื่อจะได้ร่ํารวยยิ่งขึ้นอย่างทันอกทันใจเมื่อเป็นผู้มีจิัดการค้าเจริญขึ้นถึงขนาดนั้นก็มีคนมาติดต่อมากขึ้นต่อมาบุตรกระบดีอื่นๆที่มีฐานะดีก็ส่งคนมาสู่ขอบุตรีทั้งสองนั้นและได้ทําพิธีอาวหะมงคลไปโดยลําดับ สิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรแน่นอนการลงทุนครั้งหลังที่กระ บ, บดีผู้นั้นทุ่มเทลงไปอย่างเต็มที่เพื่อจะได้มั่งมีอย่างเศรษฐีเร็วทันใจนั้นกลับเป็นการทำลายตัวเองอย่างย่อยยับเพราะขบวนเกวียนทั้งหมดได้ถูกโจปรปล้นระหว่างทางจากพระนศีสู่กรุงราชครืชาวขับเกวนได้สอสู้ตายไปบ้างที่เหลืออยู่บ้างก็หนีเอาตัวรอดเพราะโจรมีกาลังเหนือกว่าเมื่อข่าวการถูกโจปรปล้น เป็นที่รู้กันไปโดยทั่วแล้วเจ้าหนี่ทั้งหลายก็ตามมาทวงถามสองสามีภรรยานั้นครั้งแรกก็พูดจาด้วยวาจาอ่อนหวานเพราะยังเกรงใจกันอยู่บ้างหนักเข้าก็ถึงกับใช้วาจาหยาบคายสองสามีภรรยาแทบจะล้มสลบเมื่อทราบข่าวความพินาศของตนรุ่งขึ้นอีกไม่กี่วันเมื่อมีเจ้าหนี่มาทวงถามก็ขอผัดผ่อนหาทางบรรเทาจนเต็มความสามารถนึกได้ ถึงบุตรีคนเล็กทั้งสองก็ไปอ้อนวอนขอให้ช่วยลูกทั้งสองก็ปฏิเสธอ้างว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นของสามีตนช่วยอะไรไม่ได้ในที่สุดก็ต้องมอบบ้านเรือนเครื่องใช้ทุกอย่างให้เจ้านี่ไปตนเองต้องเร่ร่อนออกจากบ้านไปอาศัยบุตรีคนที่สองอยู่ตุลินีมารดาของเจ้าได้ทราบข่าวนี้ก็วิตกกังวล น, นักปรึกษากับพ่อจะขอรับมารดาบิดาของตนมาอยู่ด้วย นางไม่ได้มีความผูกอาคาดจองเวรเลยแต่พ่อให้ความเห็นว่าจะลองดูใจพว ก, ล, กลูกทั้งสองคนนั้นดูก่อนถึงอย่างไรก็คงหาทางขับไล่ไม่ให้บิดามารดาของตนพึ่งพิงเป็นแท้พ่อคาดไว้ไม่ผิดใน ไ, ไม่ช้าก็ได้ทราบข่าวว่าบุตรีคนที่สองพูดเน็บแนมมารดาบิดาของตนว่าทําไมไม่ไปอยู่บ้านของลูกอีกคนหนึ่งบ้างมารดาบิดาจึงต้องไปอาศัยบุตรีคนเล็ก ในไม่ช้าก็ได้ข่าวมาอีกว่ามารดาบิดาต้องแอบร้องไห้เพราะลูกของตนพูดเสียดสีอยาไม่ทนก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครลำดับนั้นพ่อและตุลินีเห็นเป็นโอกาสอันควรแล้วจึงไปหาเจ้านี้ผู้เป็นเจ้าของเรือนเก่าของบิดามารดานั้นขอซื้อคืน ตลอดจนเครื่องใช้ทั้งปวงที่ตกไปเป็นของผู้อื่นรันซื้อได้เรียบร้อยแล้วยังให้คนรับใช้ชาราผู้ซื่อสัตว์นั้นไปตามมันดาบิดาของตุลินีจากบ้านบุตรีคนเล็กที่ไปอาศัยอยู่อย่างลําบากยากเข็ญและต้องช่วยเขาทํางานบางครั้งก็ถูกลูกของตนเองว่ากล่าวให้เจ็บช้าใจตุลินีได้สั่งไปไม่ให้บอกว่าใครให้ตามหาเป็นแต่ว่าจะมีคนช่วยเหลือขอให้ไปพบที่บ้านเกา สองสามีภรรยาดีใจแจ่มลังเลเมื่อคนที่รับใช้ตนไปบอกขอให้ไปที่บ้านเก่าจะมีคนช่วยเหลือให้อยู่เป็นสุขแต่จะจริงหรือไม่จริงก็ยังดีกว่าไม่มีหวังอะไรเสเลยความตกทุกข์ได้ยากครั้งนี้สาหัสหนักจึงลืมความถือตัวทั้งปวงสิน้นภรรยาตรงเข้ากอดคนรับใช้แล้วก็ร้องไห้รำพันถึงความทุกข์ยากแต่ก็ไม่ายเหลียวดูทางน้นทางนี้ด้วยเกรงลูกจะเห็น จะทำอะไรเล็กน้อยก็กลัวเข้าไปทุกฝีก้าวเพราะต้องอาศัยเขากินถ้าเขากโกรธไล่ไปเสียก็คงอดตายฝ่ายคนรับใช้ก็พลอยร้องไห้ไปด้วยกับนายเก่าของตนสุรเสณเอยเจ้าจงจำตัวอย่างไว้ให้ดีในยามมั่งมีเป็นภ้าสุขอย่าเห็นคนอื่นเป็นเสมือนก้อนดินท่อนไม้ที่พึงเหยียบเล่นหรือเดินข้ามเล่นตามความพอใจทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้ ถ้าทำลืมตัวและฉวยพลาดพลั้งลงตนเองก็จะถูกเหยียบยิ่งกว่าที่เคยเหยียบผู้อื่นเ <dando music> มือ่อสองสามีภรรยาตามคนรับใช้มาถึงเรือนเก่าแห่งตนแล้วตุลินีกับพ่อก็ไปต้อนรับเรานั่งลงกราบท่านทั้งสองซึ่งทำให้ท่านตื่นเต้นมากเมื่อจําจได้ว่าเป็นตุลินีลูกที่ท่านเคียนตีจนสลบ ก็ยืนชะงักนิ่งตะลึงอยู่ตุลินีจึงเล่าความจำเดิมแต่นี้จากท่านไปเพราะเรื่องที่ถูกน้องทั้งสองใส่ความให้ถูกเคี่ยนตีจนไปอยู่บ้านนายกองเกวียนและไปอยู่กับพ่อทั้งได้เล่าตลอดจนถึงว่าบัดนี้เราได้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกลับขึ้นมาให้ท่านทั้งสองหมดสิ้นแล้วบิดาของตุลินีขบกรามแน่นน้ำตาไหลลงอาบหน้าไม่พูดว่ากไรส่วนมารดานั้น ก็ร้องไห้ด้วยเสียงอันดังเข้ากอดตุรินีไว้ปากก็พร่ำขอโทษที่เคยเขี่ยนตีทั้งที่ไม่มีความผิดดูเหมือนการที่ตุรินีสนองตอบท่านด้วยคุณงามความดีนี้เสอีกอย ก, กลับทำให้ท่านรู้สึกเจ็บร้าวในจิตใจเพราะสำนึกในความผิดของตนมากขึ้นมีเสียงสือสอืดสอื่นพัฒ น, นาความลำบากที่ไปอยู่กับลูกทั้งสองมิได้ขาดระยะ ตุลินีเอยบิดาก่าวขึ้นด้วยดวงหน้ามีน้ำตาไหลเป็นทางพ่อตบเจ้าถึงสลบพ่อนี้เป็นคนชาติชั่วประทุสร้ายเจ้าผู้ไม่มีความผิดทั้งยังจะกลับมาอยู่บ้านที่เจ้าซื้อคืนให้อีกเล่าพ่อคนรจะกราบขอโทษเจ้าถึงจะถูกครั้นแล้วบิดานั้นก็ทำท่าจะลงกราบบุตรีของตนจริงๆตุลินีตรงเข้ายึดมือไว้ก่าวปอบโยนบิดา ด้วยประการต่างๆจนคลายความโศกสรุฐแล้วก็จัดการให้ท่านทั้งสองได้อยู่เป็นสุขสืบมา